เกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ทั้งหกนั้นกล่าวตนว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสตอบกับออาาชวสุภัทธบริพาชกว่ามักมีองค์แปดมีอยู่ในธรรมวินัยใดภริยะบุคคลย่อมมีอยู่ในธรรมวินัยนั้นแต่ว่ามักมีองค์แปดนี้มีอยู่เฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นคือในพุทธศาสนาเท่านั้น เมื่อเรียบสุภัธะบริภาชกเกิดความเลื่อมใสก็จึงได้ทูลขอบวชเมื่ออุปสมบทแล้วก็สามารถบำเพ็ญกรณียกิจหรือเรียกว่าบำเพ็ญศาสนกิจจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระาราหันก่อนที่องค์ทุนเดชประสิ ม, มาพระพุทธเจ้าจะประินิพพาน วันนี้เราก็มาว่ากันต่อไปถึงเรื่องที่พระองค์ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าได้ตรัสเรียกพระอานนท์มาแล้วและได้ประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุบริษัท์เพื่อที่จะให้มีความเคารพต่อพระธรรมวินยัยพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ หากจะพึงมีบางท่านมีความคิดเห็นว่าปาพศคือศาสนธรรมปาพจนี้หมายถึงว่าพระธรรมลวินัยที่เรียกว่าเป็นศาสนาธรรมมีพระาศาสดาล่วงแล้วระษาแห่งราภาาสดาทั้งหลายแห่งเราทั้งหลายไม่มีแล้วดังนี้ ดูก่อนอานนท์เธอทั้งหลายนั้นไม่พึงเห็นอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีอันใดที่เราที่เราตถาคตได้แสดงแล้วได้ปัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะและวินัยนั่นแหละจกเป็นศาสตราแห่งเธอทั้งหลายโดยการที่ตถาคตล่วงไปแล้วสําหรับพระดํารัตนี้พระองค์ ไม่ได้มอบความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้ใดเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาหรือให้เป็นศาสดาต่อไปแต่พระองค์ทรงตรัสว่าธรรมะและวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ทรงแสดงไว้นั่นเนี่เป็นจะเป็นศาสดาแทนออองค์ขาแทนองค์ของพระองค์เมื่อพระองค์นั้นได้ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เพื่อที่ให้พิสุทิ์ั้งหลายนั้นเคารพพระธรรมวินยัยแทนองค์สุนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้แล้วก็จึงได้ตรัสสั่งสอนพิสุบริษัท ต, ต่อไปว่าเกี่ยวกับการเรียกน่เรียกกันและกันซึ่งภิสุทั้งหลายนั้นมักจะเรียกกันโดยคำว่าอาวุโสทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้อ่อนพรรษากว่าหรือว่าแก่พรรษากว่าดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ตรัสว่าให้ภิกษุนั้นชายโวาหารอันสมควรหรือเรียกว่าคารวะโวหารคือกล่าวเรียกกันด้วยความขลลกพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอันนนบัดนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมร้องเรียกซึ่งกันและกันด้วยวาทะถ้อยคำเสมอถ้อยคาว่าอาวุโสอาวุโสเสมอกันหมด ทั้งที่แก่พรรษากว่าและอ่อนพรรษากว่าเมื่ อ, อเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วเธอทั้งหลายอย่าพึงเรียกกันเช่นนั้นพระภิกษุผู้มีพรรษาแก่กว่าพึงเรียกภิกษุที่มีพรรษาอ่อนกว่าโดยการเรียกชื่อหรือเรียกโคต หรือโดยคาว่าโดยเรียกคำโดยใช้คำว่าอาวุโสส่วนภิกษุผู้บวชใหม่หรือที่อ่อนภรษากว่าพึงเรียกภิกษุพระเถระที่มีภรษาแก่กว่าตนว่าพันเตหรืออาญสมาสำหรับในในในพระดําหลาเช่นนี้พระองค์ทรงให้พระภิกษุสงฆ์นั้นล่องเรียกกัน โดยความเคารพเพราะภิกษุสงฆ์นั้นมักจะเรียกกันใช้คําว่าอาวุโสทางนั้นดังนั้นพระองค์ก็ทรงบัญญัติว่าให้ภิกษุผู้มีพรรษาแก่กว่านั้นเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าว่าอาวุโสหรือที่เราแปลกันตามภาษาไทยว่าอาวุโสนี่แปลว่าคุณหรือมิฉะนั้นก็เรียกชื่อโดยที่เรียกว่า คุณกหรือคุณขอหรือแม้จะเรีย ก, ยกโดยชื่อโคดคือนามส ก, กุลก็ได้แต่สำหรับผู้ที่อ่อนกว่ามีพรรษาอ่อนกว่าบวชในภายหลังนั้นก็ให้เรียกพระพิสุที่มีพรรษาแก่กว่าบวชก่อนตนนั้นว่าพันเตซึ่งเราแปลกันว่าท่านหรืออาจจะสมาแปลว่าท่านภูมิอายุสาหรับการอ่อนการแก่ในที่นี้ <c oughs> หมายถึงว่าการบวชก่อนกับการบวชทีหลังแต่ไม่ได้หมายถึงอายุหากจะมีพิสุองค์ใดก็ตามอายุมากหมายความว่าอายุหกสิบเจ็ดสิบปีแต่ว่าบวชทีหลังพระพิสุซึ่งมีอายุยี่สิบปีบริบูร์ก็จะต้องเรียกพระพิสุซึ่งมีอายุยี่สบปีคราวลูกคราวหลาขนของตัวเองนั้นว่าพันเตเช่นเดียวกัน จะถือตามอายุคือไวัยไม่ได้ต้องถือตามพรรษาคือการบวชก่อนและบวชหลังส่วนพิสูจนผู้บวชก่อนแม้จะมีอายุน้อยก็สามารถที่ก็เรียกพิสูุผู้บวชที่หลังถึงแม้จะมีอายุมากขาวพ่อขาวแม่อขาวพ่อเขาเขาปู่ก็ต้องเรียกอใช้คําว่าอาวุโส ซ, ซึ่งแปลว่าคุณนั่นเอง สำหรับในคำว่าอาุโสที่หรือที่เรานิยมกันเรียกว่าคน อ, อ่ อ, อนว่าคุณๆนี่แหละบางท่านเป็นฆราวาสเรียกพระภิกษุรุษสมณเใช้คำว่าคุณก็มีโดยที่ตนเองถือว่าตนเองนั้นมีอายุกว่าภิกษุสมณเณร อ, องนั้นแต่ความจริงอันนี้ถือว่าอันการเรียกชนิดนี้ยอมไม่สมควร ถึงแม้ว่าพราะพิสุสมณเณรอง์นั้นจะเป็นคราวลูกเขาหลังก็จริงแต่ในฐานะเรียกว่าคุณไอคุณวุฒเป็นผู้ที่มีคุณหรือมีศีลมากกว่าก็ควรที่จะเรียกท่านว่าใช้คําว่าท่าน่นะเช่นคำว่าท่านหรือมิฉะนั้นก็ใช้สรรพนามที่เรียกชื่อตามสมควรเช่นจะเรียกว่าลุงนาหรือลุงอาตามความนับถือก็ได้หรือลุงพ่อก็ได้ คำว่าคุณนี้ทางพุทธศาสนานั้นรู้สึกจะผิดกับทางโลกเพราะคุณทางพุทธศาสนานี้หมายถึงเรียกชื่อบุคคลผู้อ่อนกว่าแต่ตามของชาวโลกที่นิยมกันนั้นเป็นคำนําหน้าเช่นคำเรียกครับ เ, เช่นเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณอาเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านคารวาสบางท่านนั้นก็ อาศัยการติดปากที่เรียกกันในทางโลกก็มาใช้ในทางพุทธศาสนาเรียกพระวะคุณมังก็มีอันนี้เป็นการเรียกที่ไม่สมควรเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสแก่พุทธบริษัทให้เรียกกันโดยคารวะโอหาแล้วก็จึงได้ตรัสถึงวิธีลงพรหมทันต่อไปพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอ น, นถ้าพิสูจนสงปรารถนา จะถอนสิขาบทเล็กน้อยเสียบ้างเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วก็จงถอนเถิดและเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วสงพึงทำพรหมทานแก่ภิกษุที่ชื่อว่าชนะนเถิดพระอนนท์กทูนถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพรหมทานเป็นชไหนพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนอนท์ ฉันน衲พิษุจะพึงปราถนาเจรจาคำใดก็ปล่อยไปก็พึงเจรจาคำนั้นฉั้น衲พนิกสุนั้นอันพิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงติเตียนไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงตักเตือนการไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนอันนี้แหละชื่อว่าพรหมทันการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านี้ ทรงตรัสถึงวิธีลงพรหมฐานนั้นคําว่าพรหมฐานนั้นหมายถึงว่าอาชญาอันประเสริฐหรือเราจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าอาชญาของพระพรหมก็ได้พรหมนี้แปลว่าผู้ประเสริฐแปลว่าอาชญาอย่างประเสริฐที่พระองค์ทรงตรัสให้ลงแก่พระชนะนี้ปรากฏว่าพระชนะนี้เป็นคนที่มีมา n ะแหลงปล้าถือตอนเองว่าเป็นผู้สนิทสนม หรือเป็นคนที่โปรดขององค์สุเนศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังครั้งเป็นครวัตแม่ตอนที่เจ้าชายธิถะเสด็จออกบรรพชาตนเองก็เป็นผู้ติดติดตามเสด็จในการที่ออกเสด็จบรรพชาเพราะฉะนั้นก็จึงได้มีมานะจักว่าตนเองเนี่ยเป็นคนสําคัญดังนั้นตอนมาต่อมาในภายหลังเมื่อบวชเข้าเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วจึงไม่ยอมรับฟังโอวาทหรือฟัง คำสอนของผู้ใดผู้ใดแม้แต่ผู้นั้นจะเป็นภาษาลิบุตรหรือพระโมคคัลลานะก็าตามไม่ยอมรับฟังโอว่าใครทั้งหมดถือว่าตนเองนั้นเป็นบุคคลที่สําคัญยอมรับฟังแต่องค์ุณเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพระชนะนี้ตลอดพุทธกาลคือตลอดในชีวิตที่พระองค์ุณเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนมายุอยู่นี้จึงไม่สามารถที่จะได้สําเร็จมรรคผลนิพพานอะไรได้ องคุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเช่นนี้จึงได้ตรัสบอกแก่พระอนุ น, นและพิสุทั้งหลายว่าเมื่อตาข้าคดรวมไปแล้วพวกเธอทั้งหลายจึงลงพรหมาทันแก่พระพิสุทธชนะการลงพรหมาทันนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าคือการไม่ว่าไม่กล่าวปล่อยเขาเถิดว่าชนะอพระพิสุทชนะจะทําอะไรก็ตามจะผิดจะถูกแล้วก็ตาม จะพูดจะเจรจาอย่างไรก็ตามภิกษุทั้งหลายไม่ควรตักเตือนไม่ควรว่ากล่าวเสียอันนี้ปรากฏว่าอยู่มาในภายหลังหลังจากที่พระองค์ปณิธานแล้วพระอานนท์ได้กระทำพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ได้พระโลมพรหมาทานแก่พระชนะพระชนะนี้ก็เกิดความน้อยใจเสียใจจนถึงกับสลบสามครั้ง เสียใจว่าเมื่อพรเ้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วไม่มีบุคคลใดที่จะพูดคุยกับตัวเองได้ด้วยความเสียใจอย่างนี้จึงจนถึงกับสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมานเมื่อฟื้นมาแล้วก็จึงได้ละมานะอันนั้นได้เมื่อละมานะสดายแล้วก็จึงได้ปฏิบัติอาศาสนธรรมบำเพ็ญกรณียกิจของอตามหลักของพุทธศาสนาไม่ช้าก็ได้สาเร็จมรรคผลนิพพาน เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ตรัสแก่พิสุช น, นั้นแล้วพระองค์ก็จึงได้ตรัสถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าหากว่าความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธในพระธรรมและในพระสงฆ์ในมรรคหรือในปฏิปทาจะพึงมีแก่พิสุบางรูป หรือรูปใดรูปหนึ่งแล้วไซ้ขอพวกเธอทั้งหลายจงถามมาเถิดขอพวกเธอทั้งหลายนั้นอย่าได้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังว่าพระาศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วเราทั้งหลายไม่สามารถที่จะถามพระองค์ได้องค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้เมื่อตรัสบวรณาแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าภิกษุทั้งสงฆ์ทั้งหลาย ในขณะที่เฝ้าอยู่ในขณะนั้นนิ่งเงียบไม่มีบุคคลไม่มีพิกษุรูปใดรูปหนึ่ ง, งที่จะทูลถามขึ้นมาเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้ตรัสเช่นนี้ถึงสามครั้งว่าถ้าหากบุคคลใดมีความสงสัยเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในมัชและในปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแล้วก็ให้ถามมา ก็ไม่มีพิสุองค์ใดที่จะถามพระอานนท์จึงกราบทูลอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้อนี้เป็นอ่เป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ข้าพระองค์นั้นเลื่อมใสข้าพระองค์นั้นเลื่อมใสยิ่งนักบอกพิสุซึ่งจะมีความสงสัยเคลือบแคลงในพระตนตรัยนั้นในมรรคและปฏิปทามแม้แต่องค์หนึ่ง ย่อมไม่มีในพิสุหมู่นี้เลยองคติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทึงตรัสวัาดูก่อนอ น, นน์เธอมากล่าวบัด น, นี้เพราะความเลื่อมใสจริงแล้วแม้แต่อายานแห่งพระสถาคตก็ยังรู้ในข้อนี้ว่าไม่มีพิสุองคใดอง์หนึ่งที่จะมีความเคลือบแคลงสงสยัย เพราะว่าพิสุทั้งหลายห้าร้อยรูปที่ประชุมอยู่ในที่นี้ภิสุที่มีคุณธรรมพิเศษในะยังต่ำที่สุดก็เป็นพระโสดาบันยังสูงนั้นก็คือสาเร็จเป็นสำเร็จพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์แล้วเพราะฉะนั้นในพิสุทั้งห้าร้อยรูปนี้มีแต่พระพิสุที่เป็นอริยาสาวกเนะั้น ภริยาสาวกนี้เริ่มต้นแต่งแต่เป็นภริยาสาวกขั้นแรกคือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ก็หมดความเครือบแคงสงสัยในพระตนตาต่ายแล้วเพราะฉะนั้นองค์ทศรถพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้ด้วยพยานของพระองค์แต่เพื่อที่ตรัสเช่นนั้นเพื่อจะยังความมหัศจรรย์อันนี้ให้เกิดความเลื่อมใสแก่พระภิกษุทซึ่งอยู่ในหมุมนั้น เมื่ององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสบวรณาแก่พิสุทังหลายแล้วเห็นพิสุไม่องค์ใดองค์งเมื่อไม่เห็นพิสุองค์ใดองหนึ่งมีความเคลื่อนแคลงสงสัยพระองค์ก็ตรัสเตือนพระพิษุสง์อีกเป็นวาระสุดท้ายพระดํารัสของพระองค์ที่ตรัสเป็นวาระสุดท้ายนี้ก็ตรัสว่าดูก่อนพิษุทั้งหลาย บัตรนี้เราผู้ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมและความแตกสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังกิดทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด <c oughs> พระวาจาอันนี้ เป็นพระวาจาสุดท้ายแห่งพระธถาคตเจ้าที่เราเรียกกันว่าปัจฉิมโอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ตัดพระวาจานี้แล้วพระองค์ก็ทรงหุบพระโอษฐ์โดยที่ไม่ตรัสคำใดออกมาอีกจนกระทั่งถึงปรินิพพาน เพราะฉะนั้นพระวาจานี้จึงเรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทหรือปัจฉิมวาจาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสวาจาเช่นนี้แล้วพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงประทรมอยู่ที่แทนพนิพานนั้นพระองค์นั้นตรัสหมายรวมลงเอาซึ่งพระโอวาททั้งปว่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ บริษัททั้งสี่ตลอดระยะสิ้น4สิบห้าพรศามวดลงอยู่ในธรรมะข้อเดียวคือความไม่ประมาทหมายถึงว่าพระองค์นั้นทรงตรัสรวบรวมเอาพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ตรัสมานั้นที่เราเรียกว่าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้น ลงรวมอยู่ในความไม่ประมาทคือถ้าหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความไม่ประมาทแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติตามาศาสนธรรมทั้งแปดหมสี่พันระธรรมขันธ์พระองค์มีตรัสประทานคำนี้แก่พระพิสุสงฆ์แก่พระพิสุบริษัทในอวสานคือในการเป็นที่สุดท้ายตั้งแต่นั้นพระองค์ก็มิได้ตรัสอีกเลย ทรงหุบพระโอษ์แล้วก็ทรงกระทำปัตตินิพพานบริกรรมด้วยอนุปปภวิหารและสมบัติทั้งเก้าก็คือว่าพระองค์นั้นจเจริญปรินิพพานกรรมคือจเจริญอนุปุภวิหารและสมบัติทั้งเก้าอนุปปภวิหารและสมบัติทั้งเก้านี้ก็ได้แก่สมาบัติทั้งเก้า ที่พระองค์นั้นทรงบำเพ็ญอยู่โดยลำดับ <c oughs> พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงบริกรรมด้วยอนุปุพพวิหารสมบัติทั้งเก้านั้นอย่างไรคือในอันดับแรกนั้นพระองค์ก็ทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วพระองค์ก็เข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยชาตแล้วก็ทรงเข้าเจตติยชาตออกจากตติยชาตแล้วก็ทรงเข้าเจาตุติยชาติ <c oughs> ซึ่งชาตทั้งสี่นี้ที่เราเรียกอีกในกหนึ่งว่ารูปชาตหรือว่ารูปอรูปปสมมาบัติ <c oughs> พระองค์ทรงเข้าโดยลาดับตามลําดับไป <c oughs> เมื่อออกจากรูปปสมมาบัติแล้วหรือรูปชาตแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าอารูปชาตหรืออรูปสมมาบัติ ก็คือทรงเข้าอากาสานัญจายตนะซึ่งเป็นรูปปัสมาบัติที่หนึ่งออกจากอากาสานัญจายตนะแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าวิญญาณ น, นัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าอาจินตัญญายตนะออกจากอาจินตัญญาจตนะ แล้วก็ทรงเข้าสัเนวสัญญานาสัญญายตนะตามลําดับเมื่อออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็ทรงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติดับจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาเสียพระองค์ทราดับจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนา คือเมื่อพระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทียิตะนิโรดนี้แล้วดับสัญญาคือความจําและเวทนาความรู้สึกในขณะนี้ไม่มีสัญญาและไม่มีความเวทนาคือความรู้สึกความสวยอารมณ์นี่พระองค์ทรงเข้าช่านนี้ในขณะที่พระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทียิตะนิโรดนี้พูดง่ายว่าสัญญาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มี ก็มีเท่าจะพูดแล้วก็มีแต่เพียงว่าลมหายใจเขาออกซึ่งเป็นกองลมหายใจที่ละเอียดอ่อนมากแน่นิ่งไปจนกระทั่งท่านพระอนนเทเถระเนี่ยเกิดความสงสัยเข้าใจว่าเห็นพระองค์สมเด็จพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นิ่งไปเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าขณะนี้พระองค์ น, ะนั้นนิพพานหรือยังก็จึงได้เรียนถามพระอนุรุทธเถระเจ้า ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระอนุรุทธะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ้าน่ะนิพพานแล้วหรือท่านพระอนุลุทธะก็บอกว่าบัดนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังไม่นิพพรินิพพานก่อนพระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทยิตาอิโลด <c oughs> มีข้อที่สงสัยขึ้นมาว่าทําไมท่านพระอนุลุทธะนี่จึงรู้จึงทราบ แต่พระอนุ์ไม่ทราบที่สามนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าท่านพระอนุรุทธะนี้ทรงแสวงเข้าตามคือทรงเข้าอนุปุพพวิหารธรรมเนี่ยหรือว่าอนุปุพพาวิหารสมาบัติเนี่ยทั้งเก้าเนี่ยตามองคตุเดชพระสมมาสมุติเจา้าเมื่อองคตุเด็จพระสมมาสมุติเจา้าเข้าปฐมฌานพระอนุรุทธะก็เข้าปสมฌานตามตามไปจนกระทั่งรู้ที่ว่าเข้าสัญญาเวทีตา น, นิโรธ เพราะฉะนั้นท่านพระอนุลุทธะเนี่จึงได้ทราบว่าเมื่อเข้าถึงสัญญาเวทีตานิโรธแล้วดับสัญญาดับเวทนาเสียมีแต่เพียงเรียกว่าวิญญาณที่ยังเหลืออยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้บอกกับพระอนุ์ว่ายังไม่มีพานไม่มิพานก่อนเมื่อองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้า <c oughs> ทรงเข้า อนุปภาพวิหารสมาบัติทั้งเก้านี้โดยอนุโลมอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงออกจากสัญญาเวอ่าสัญญาเวทิยิตานิโรธเมื่อออกจากสัญญาเวทิยิตานิโรธแล้วพระองค์ก็ทรงถอยกลับเข้าอารูปสมาบัติต่อเรียกว่าแบบปฏิโลมคือถอยกลับ เมื่อออกจากสัญญาเวทยียตานิโรธแล้วพระองค์ก็เข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญาเจตนะแล้วก็เข้าอาจินสัญญายตนะออกจากอาจินสัญญายจตนะฌานแล้วก็เข้าวิญญาณนันจายตนะฌา น, านออกจากวิญญาณนันจายตนะแล้วก็เข้าอากาสานันจายตนะ เมื่อออกจากอากาสารนันจาจตนะแล้วก็เข้ารูปฌปานต่อคือเข้าจตุทะฌานออกจากจตุทชฌานแล้วก็เข้าตติยฌานออกจากตติยฌ า, านแล้วก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วก็เข้าปฐมฌานถอยกลับมาเช่นนี้เหมือนกับบุคคลที่ขึ้นบันไดเก้าขั้น อันดับแรกนั้นขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งจนถึงบันไดขั้นที่เก้าแล้วก็ถอยกลับจากบันไดขั้นที่เก้าลงบันไดขั้นที่แปดลงมาเรื่อยๆจนถึงบันไดขั้นที่หนึ่งพระองค์ทรงเข้าอนุปุพพวิหาระอวิหาระวิหาอาวิหารหาาหารสมาบัติเช่นนี้ทวนกลับไปกลับมาท่านบอกว่าเป็นเวลามิเช่นน้อยมิเช่นน้อยเที่ยว ตงกลับไปกลับมาเช่นนี้จนกระทั่งในวาระสุดท้ายเมื่อพระองค์นั้นถอยกลับมาถึงปฐมฌานแล้วพระองค์ก็ออกจากปฐมฌานก็เสด็จเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วก็เข้าตติยฌาน ออกจากจติยฌานแล้วก็เข้าจจตุทชฌานพ อ, อพอออกจากจจตุทชฌานแล้วยังมิทันเข้าอรูปปสมมาบัติคืออากาสานัญจายณนะพระองค์ก็ทรงปริิพานในระหว่างที่ออกจากจตุทชฌานนี้ในปัชิมยามแห่งราตรีวันวิสาขาบุรี คือเพนขึ้น15คำเดือน6ก่อนพุทธศก1ปีซึ่งนับว่าเป็นมหามงคลสมัยเวลาใกล้ลุ่มเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ <c oughs> วลินิพพานแล้วก็บังเกิดความหาสจันทร์ แผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลันจนเกิดโลมชาติชูชันสยบสยองอีกทั้งกรองบรนอาทิ์ก็บรือลั่นในอากาศซึ่งเกิดขึ้นในขณะพร้อมกับการปริิพานแห่งองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาโกลาหลในปัจฉิมการในสมัยที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปณิพานนั้น ท้าสหบดีพรมได้กล่าวคาถาแสดงความสังเวชและความเลื่อมใสของตนมีใจความว่าบรรดาสัตว์ทั้งปวงท่นน่นนาไม่มีเหลืออยู่ในโลกล้วนจะทอดทิ้งซึ่งร่างกายไว้โถมปัตถีในโลกไรยเล่าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ เช่นนี้ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปานได้ทรงเป็นพระสยามภูยานรัศลุเองโดยพระรำพังพระองค์ถึงซึ่งกำลังคือทศพลยานแล้วยังมิถาวรมั่นคงดำลงอยู่ได้ยังมาดับขันธปรินิพานเสียควรที่จะสังเวชสรดใจยิ่งนะัก ฝ่ายเท้าโกศีเทวราชหรือพระอินก็ได้กล่าวคาถามีใจความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นและเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนถาวรมั่นคงดำรงอยู่ได้ความที่สังขารคือนามรูปเบญจขัน เหล่านั้นระ ง, งับเสียมิได้เป็นไปนำมาซึ่งความสุขเหตุสังขารทุกข์คือชาชารามรณะมิได้มีมาครอบงามอีกเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัทและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผ้าสุข จงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนพุทธประวัติกันต่อไปเมื <ME> ่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดกันมาถึงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จดับขันพระทัปรินิพานณระหว่างนางลังณระหว่างลังต้นลังทั้งคู่ที่สารววโนสาวสารวโนทยานป่าอันเป็นอุทยานของมลลคกษัตริย์และก็เท้าสามบดีพรมได้กล่าวคาถาแสดงความสังเวชและความเรื่มใสตลอดกระทั่งพระอินคือเ ท, ท้าโกศยะเทวราช ก็ได้กล่าวคาถาเช่นเดียวกันเป็นการแสดงถึงความสังเวชวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนต่อไปเมื่อเท้าสหัมบดีพรมและเท้าโก ส, สีเทวราชได้กล่าวคาถาให้ทำให้เกิดธรรมสังเวชแล้วท่านพระนุรุตเถระเจ้า ก็ได้กล่าวสองคาถาซึ่งมีใจความว่าพระพุทธเจ้ามีจิตอันยั่งยืนคงที่ในโลกธรรมทั้งแปดท่านไม่หวั่นไหวลมอสสาสหายใจก่อนลมปัสสาสหายใจกลับดับสิ้นไม่มีอีกแล้วพระมุนีโลกนาฏ มิได้หวันไหวสะทกสะทานด้วยมรณะกรรมอันใดอันหนึ่งทรงปราลบธรรมซึ่งสันติคือความระงับคือพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำแล้วซึ่งกาละอันใดอันพ้นวิสัยสามัญยศัตว์พระองค์มีจิตมิได้สะทกสะทานหดหูพลั่งพลงต่อมรณะกรรมเลย ได้อดกลั้นซึ่งทุกขเวทนาด้วยสติสัมปชัญญะอันสุดดีความพ้นแหง่งจิตด้วยอนุปาทิเสสนิพานได้มีแล้วประหนึ่งประทีปอันไพโรดชัดชวานดับไปฉะนั้นฝ่ายท่านพระอนนเทเถระก็ได้กล่าวพระคาถามีใจความว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงดับขันธปรินิพานแล้วความมหาสัจจันท ร, ร์อันให้สยดสยองสะดุ้งหวาดและให้ลมรมชาติชูชันได้เกิดมีแล้วณครั้งนั้นปรากฏแกเทพ ย, ยดามนุษย์ทั้งหลายท่านทั้งสี่องค์ได้กล่าวคาถาแสดงความสังเวชของตนขึ้งตน โดยประกาศละชนิ้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จดับขันธปรนินิพานก็มีท่านเท้าสัมบดีพลมท่านเท้าโกสีคือพระอินทร์ท่านพระอนุรุทธเถรเจ้าและพระอนนทเทรเจ้าก็ได้กล่าวคาถาอันเป็นเหตุให้เกิดความสังเวชด้วยกันสี่ท่านด้ยวยกัน การที่ท่านทั้งสี่นั้นได้กล่าวคาถาให้เกิดความสังเวชนั้นก็ด้วยเหตุที่ว่าองค์สมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เป็นประทีปของชาวโลกได้ดับไปแล้วเปรียบเหมือนดวงตาหรือว่าดวงไฟที่ส่องแสงให้สว่างนั้นได้ดับไป ก็ทาให้โลกเรานี่มืดมิดไปด้วยกิเลสตัณหาหรือว่ามืดมิดไปด้วยโลภะโทสะโมหะต่อไปก็จึงเกิดความสังเวชก็จึงได้กล่าวคาถาสแสดงความสังเวชและความสะดุ ด, ดีสะดุ ด, ดีต่อองค์สุเดะเพรศัมมาสัมพุติเจา้าเมื่อองค์สุเดะเพรศัมมาสัมพุติเจ้านั้นปรินิพานแล้ว ราตรียังเหลืออยู่คือยังไม่สว่างยังมืดอยู่พระอนุรุธะกับพระอนนท์ก็จิงได้ผลัดกันแสดงธรรมโปรดบริษัทคือพุทธบริษัทในขณนะนั้นก็คงจะมีแต่เพียงภิกษุบริษัทเป็นส่วนมากไปพลางๆจนกว่าที่จะสว่าง เพื่อที่ทำให้บริษัทเกิดความสังเวชและเลื่อมใสาตามการอันสมควรเมื่อราตรีสว่างแล้วท่านพระนุรุธเถระเจ้าก็จึงได้บัญชาให้พระอนน์นั้นไปบอกกับพวกมลกระสัตรที่ในเมืองกุสินลาให้ทราบข่าวปรินิพานขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพระอานนก็รับเถรละบัญชาแล้วก็จริงได้เข้าไปสู่พระนครเข้าไปสู่พระนครแล้วในขณะนั้นพวกมรลคกษัตริย์ทั้งหลายก็มาประชุมอยู่พร้อมกันอยู่ที่สันทาคารหรือที่เรียกว่าโลอ่ะทองพระลงอันเป็นที่ประชุมก็ประชุมกันด้วยกรณียกิจเรื่องการปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งพวกตนทั้งหลายก็ประชุมกันว่า จะพึงปฏิบัติเช่นไลต่อพระพุทธสรีละเพราะเหตุที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้เป็นบุคคลที่ประเสริฐในโลกมาปรินิพานในแว่นแคว้งของตนเองจะทำอย่างไรที่จะให้สมพระเกียรติของพระองค์ก็มาประชุมกันที่ทองพนโล่งปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็พอดีที่ท่านพระอานนท์เถระ ได้เข้าไปาไปแจ้งข่าวปรินิพานของพระองค์ของพุทธองค์ให้ทราบพวกมลรักษัตริย์นั้นพอได้ฟังพอได้สดับการปรินิพานขององค์สมเด็จพุทธสมมาสัมพุทธเจ้าบางาบางพระองค์นั้นต่างก็คลั่มครวนโศกเศร้า เป็นอันมากเมื่อได้สะดับเช่นนั้นบางท่านก็โศกเศร้าเสียใจการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานซึ่งจะเป็นการที่เรียกว่าเปรียบเหมือนดวงประทีท่ดับไปแล้วครั้งนั้นบรรลักษย์ทั้งหลายก็จึงตรัสสั่งให้บุรุษทั้งหลายให้ประกาศ ให้ประชาชนทั่วพนกครกุสินารานั้นได้ทราบแล้วจึงให้ราชบุรุษทั้งหลายนำบรรดาพวกของหอมและมระเบียบ ม, มาลาต่างๆและดนตรีซึ่งมีอยู่เท่าไรภายในเมืองนั้นให้มาประชุมพร้อมกันแล้วมรักษกษัตริย์นั้นก็ทับก็นำสุคนธชาตและมาลาย ตลอดกระทั่งดนตรีกับผ้าอีกห้าร้อยพับสเสด็จไปยังที่สารวันอันเป็นที่ปรินิพานของพระองค์ทำการสการะบูชาพระสลีละศพของพระผู้มีภาคเจ้านั้นด้วยการฟอร้อนลำขับล้องประโคมดนตรีต่างๆและด้วยระเบียบของหอมเป็นอเนกกรรมการดาษเพดานประดับไปด้วยพวงดอกไม้ตกแต่งโรงงานอยู่ วันเวลาก็ล่วงไปวันหนึ่งผู้มัลรคกษัตริย์ทั้งหลายก็ดมลิว่าวันนี้พลบค่ำแล้ว <c oughs> ต่อพรุ่งนี้เถิดเราจึงจะถวายพระเพลิงพระพุทธสิริละของพระผู้มีภาคเจ้าแต่ผู้มัรรคกษัตริย์ทั้งหลายนั้นก็ทําการบูชาพระสิริละอย่างมโหหลาน้วยส ก, การะดังที่กล่าวแล้วนั้นน่ะล่วงไปถึงหกวันโดยที่ตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้จะถวายพระเพลิง แต่เมื่อกระทําการสกลาและเช่นนั้นเวลาก็พลบค่าไปล่วงไปล่วงไปเช่นนี้จนกระทั่งถึงหกวันด้วยกันหกวันหกคืนด้วยกันขั้นถึงวันครบที่เจ็ดคือวันที่เจ็ดนั้นพวกมัลกษัตริย์ทั้งหลายก็ปรกษากันว่าเราจะเชิญพระสลีละของพระผู้มีภาคเจ้านั้นน่ะไปโดยประตูของทักอ่ประตูทิศใต้คือประตูทักษิณ แล้วก็ถวายพระเพลิงภายนอกพระนครนะจะถวายพระเพลิงภายนอกพระนครเมื่อคิดเจ่นนี้แล้วมละปามโม ค, คือผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ๆของชาวมละนั้นผู้เป็นหัวหน้าแปดองค์ด้วยกันซึ่งมีกำลังมากสรงไว้ซึ่งพระกำลังก็จึงได้สะสงพระกายให้บริสุทธิ์แล้วก็ทรงผ้าใหม่ทรงผ้าใหม่ พร้อมกันทั้งแปดองค์นั้นเข้าไปเชิญพระสลีละเพื่อจะเชิญออกไปทางประตูทิศใต้แล้วก็นาไปถวายพระเพลิงนอกพระนครก็ปรากฏว่าเมื่อมัละปาโมกทั้งแปดนั้นเข้าไปเพื่อจะอัญเชิญพระสลีละปรากฏว่าพระสรีละนั้น ไม่สามารถไม่ไม่ไมไมก็ปรากฏว่าพวกมละนั้นไม่สามารถที่จะขยับเพรื่อนพระพุทธศรีละได้คือขยับอย่างไงไม่เคลื่อนไม่สามารถที่จะให้เคลื่อนที่ได้พวกมลกษัตริย์ทั้งหลายก็เกิดความแปลกใจขึ้นก็จึงได้ต่าถามแก่เรื่องนี้แก่พระอนุรุทธเถระเจ้าพระนุรุทธะก็จึงได้แสดงว่า เทวดาทั้งหลายนั่นน่ะไม่พอใจที่มัลกษัตริทั้งหลายคิดไปเช่นนั้นพวกเทวดาทั้งหลายนั่นคิดอยากจะให้เชิญพระพุทธศีละสพของพระองค์นั้นน่ะไปโดยประตูทิศอุดรแล้วก็เข้าไปยังอ่าเข้าคืออันเชิญเข้าไปทางประตูทิศอุดรเข้าไปในพระนคร แล้วก็ให้เชิญเมื่อเข้าไปในพระนครแล้วก็ให้ไปอเชิญไปที่ถ้ากลางพระนครนะเรียกว่าแห่ให้แหไปโดยทั่วพระนครซะก่อนแล้วจึงให้ออกไปโดยทวารโดยประตูของทิศบุรพาคือทิศ ต, ตะวันออกแล้วก็นําไปประดิษฐานเพื่อจะถวายพระเพลิงนั้นที่มะกุพมะกุพันธนะเจดี ซึ่งอยู่ทางด้านทีต่ตะวันออกของพนากอรกุสินาลาเทพดามาเทเอเทวดานั้นมีความประสงค์เช่นนี้ฝ่ายท่านผู้เป็นมลรคกษัตริย์ดําริอย่างอื่นจึงมิจึงมีเห็นต้องกันเหตุนั้นจึงมิอาจจะเชิญพระสรีละให้เคลื่อนจากที่ได้มรรกษัตริย์ทั้งหลายผ่อนผันตามความประสงค์ของเทวดาตรเตรียมการที่จะเชิญพระสรีละไปโดย ทิศเหนือเข้าประตูทางทิศเหนื อ, พอเพื่อที่จะให้ไม่ให้ขัดกับความประสงค์ของเทวดา อ, อันนี้มะกุฎมกุฎพันธนะเจดีนี่เป็นสถานที่ราชาภิเษกของกษัตริย์เมืองกุสินาราคือมละกษัตริย์องค์ใดที่จะได้ราชาภิเษก เป็นกษัตริย์ครอบครองพระนครกุสินารานั้นจะต้องไปทําพิธีที่มกุฏพันธนะเจดีเพราะฉะนั้นสถานที่นี้เป็นสถานที่มงคลมัลกกรรคกษัตริย์จึงไม่มีความอาจครั้งแรกก็จึงไม่ได้ไม่มีความประสงค์ที่จะได้ถวายพระเพลงิงในสถานที่นี้เพราะถือว่าเป็นมงค ล, ลสถานแต่ว่าเทวดานั้นเห็นว่าพระสลีลาศของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นเป็นบุคคลที่เลิศต้องการจะเป็นเช่นนั้น พวกมรดกษัตริ์ก็จึงไม่ขัดความประสงค์ในสมัยนั้นเองปรากฏว่าพวงดอกมณฑารกซึ่งเป็นของทิพย์อันมีอยู่ในเมืองสวรรค์เทพเทพยดาทั้งหลายก็จึงบันดาลให้ตกมาเพื่อกระทําพุทธบูชาดารดาดไปทั่วเมืองกุศินรา มันละกกระส์ทั้งหลายพร้อมกันกระทำการบูชาพระสลีละด้วยการฟอร้อนลำขับร่องต่างๆแล้วก็จึงได้อัญเชิญพระสลีละนั้นเข้าไปในโดยทางทวันด้านทิศอุดรแล้วก็เชิญไปในที่ทำกลางพระนครแห่แห่แห่แหนไปรอบและจึงได้ออกทางทิศบรุรพาไปประดิษฐานอยู่ที่มกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นมงคลสถาน เมื่อประดิษฐานพระศลีละพร้อมด้วยส ก, การละแล้วมรรกษัตริย์ทั้งหลายมีความประสงค์ที่จะทราบในการปฏิบัติในพุทธศรีละก็จริงในตรสถามพระอ น, นุ์ท่านพระอา น, นุ์ก็จริงในแสดงว่าขอให้ชาวมรรคกษัตริย์นั้นพึงปฏิบัติในพระพุทธศลีละนั้นเหมือนกับพระศลีละศพของพระเจ้าจากักรพรรดิ ซึ่งตนเองได้ฟังมาต่อพระพักขององค์ุณเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันลกักกระสันั้นก็ทรงกระทําตามพุทธาธิบายทุกประการโดยการที่ใช้ผ้าขาวผ้าคู่หอพระสรีละใช้ผ้าขาวใหม่ๆที่เป็นผ้าคู่นั้น ทีละคู่ห่อพระศรีละของพระพุทธองค์ชั้นหนึ่งแล้วก็ใช้สัมฤทธิ์เนี่ยซับไปชั้นหนึ่งแล้วก็ห่อผ้าคู่ขาวนั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ซับด้วยสมัมฤทธชั้นหนึ่งโดยทํานองนี้ทวนกําหนดถึงห้าร้อยชั้นเสร็จแล้วก็จึงได้เชิญลงประดิษฐานนั่นลังเหล็กอันเต็มไปด้วยน้ามันปิดด้วยลงัง เหล็กอันอื่นเป็นปิดบุดแล้วปิดฝาทําจิตกาทานคือเชิญตะกอด้วยไม้หอมล้วนๆแล้วก็อัญเชิญพร ะ, ะ, ะพระบรมศพนี้พระพุทธทรบรมศพนี้ขึ้นประดิษฐานและเชิงตะกอไม้หอมนั้นเตรียมที่จะไหวพระเพลิงในที่นี้บางท่านนี่อาจจะมีความสงสัยคือว่าในตามตำนานนี้ท่นกล่าวมากล่าวว่า การที่ใช้ผ้าขาวใหม่ๆ ห, ห่อพระศลีและสพขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าทีละคู่แล้วก็ซับสัมลีนั้นและอัญเชิญลงในรางเหล็กนั้นมาก็ทําในการสุดท้ายไม่กระทําตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ก็เป็นประเพณีของชาวอินเดียประการหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ชาวอินเดียนั้นโดยปกติจนถึงทุกวันนี้เขาไม่นิยมใส่ลงศพของคนตายนั้นเขาจะใส่เพียง วางไว้บนแคร่และก็หามไปทั้งแคร่เวลาเผานั่นก็ยกออกจาก แ, กกแคล่วางบนบนกองฟืนเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเมื่อ 2,500 ปีผ่านมาแล้วการปฏิบัติในพระสลีละของพระพุทธองค์ก็ในทํานองเดียวกันคือไม่ได้ใส่ลงนะเพราะฉะนั้นตำนานนี้ก็จะมาใส่ลงตอนที่สุดท้ายที่จะเผานั่นเอง ตอนแรกนั้นก็คงที่จะวางพระบรมศพของพระองค์นั้นบนแคร่แล้วก็แบกโดยบ่าอันเชิญไปในทั่วพนะนคอนเมื่อมาถึงที่มากูพันธนเจนดีใกล้จะทำการถวายพระเพลิงแล้วก็จึงได้ใช้ผ้าคู่ขาวใหม่ๆนั้นหอ่อแล้วก็ซับด้วยสารี ห้ารอยชั้นแล้วก็นําลงในหลางเด็กอันเต็มไปด้วยน้ำมันหอมแล้วก็ยกขึ้นจิตตกาทานคือเชิงตะกรนและเชิงตะกรนี้ไม่ได้ทําด้วยไม้อื่นทําด้วยไม้หอมทั้งนั้นฮะและเวลาถวายพระเพลิงก็ถวายทั้งเชิงตะกรเลยเดยกว่าไม้หอมชายไม้หอมนี่ถวายพระเพลิงพระบรมอัพระพุทธลสลีระศพของพระพุทธองค์ เมือ่อเตรียมก็เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะถวายพระเพลิงมัลละปามโมกคือหัวหน้าของชาวมลละกษตรที่เป็นหัวหน้านี่สี่พระองค์ด้วยกันทรงน้ำดำกล้าวให้พระกายนี่บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ทรงผ้าใหม่นาเพลิงก็นาเพลิงเข้าไปสู่เชิงตะกอนนั้นสี่ทิศด้วยกันคือทั้งสี่องค์นี้จะเป็นผู้ถวายพระเพลิง ก็อยู่ในป ร, ป, ร ป, รประทับยืนอยู่ในสี่ทิศแล้วก็จุดไฟนำไฟเข้าไปสู่พระบรมศพนี่คนละทิศเข้าไปสู่สี่ทิศก็จุดแต่ปรากฏว่าจุดตะไลตะไลนี้ก็ไม่ติดเชิงตะกอ ก, ก็เป็นไม้ทำยังไงยังไงก็ไม่ติดพวกมรรดักรัตรก็เกิดความสงสัยว่ตากรกรตะกอนตะไลนั้นไม่เคยมีอย่างนี้ เชื้อตะกองก็เป็นไม้เมื่อจุดไฟที่ไรก็ติดทุกครั้งแม้จะใช้น้ำมันน้ำมันอะไรลาดที่ให้จุดก็ติดแต่ว่าคราวนี้ทำยังไงก็ไม่ติดก็เฉลียวพระทัยว่าคงจะเป็นด้วยอนุภาคของเทวดาอีกเช่นกันก็จึงได้ตรัสอดใจตรัสถามเรื่องนี้แก่ท่านพระอนุรุทธเถระเจ้าท่านพระอนุรุท ธ, ธก็แสดงว่าพวกเทวดาทั้งหลายนั้น ประสงค์จะให้คอยท่านพระมหากษัตริยเถระเพื่อที่จะให้ท่านพระมหากษัตระเทระนั้นบังโคมถวายบังโคมพระบาทของพระผู้มีภาคเจ้าเสกอนและจึงจะถวายพระเพลิงได้หรือว่าถึงจะจุดไฟติดพวกบรรละกษัตริย์ทั้งหลายก็จึงได้ตามออ่าจึงได้ยอมตามความประสงค์ของเทวดาอีกเหมือนกัน งในสมัยนั้นหรือว่าในครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะเทระนี้ยังมาไม่ถึงมกุฏพันธนะเจดีย์ยังมาได้เพียงยังกําลังเดินทางมาซึ่งมาจากปาวานนครพร้อมด้วยพิสุผู้เป็นบริวารห้าร้อยลูกคือท่านพระมหากัสสปะเทระนี้ในขณะนั้นอยู่ที่เมืองปาวานะาปาวานอาปาวา ปาวานนครซึ่งห่างกันเห็นจะประมาณหนึ่งโยชน์ได้ทราบข่าวว่าองค์ทุดรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสเสด็จมาถึงเมืองกุสินาราก็เกิดความคิดถึงพระองค์ว่าบัดนี้พระองค์ก็แก่ชราภาพแล้วเราอ่าเราควรที่จะไปกราบเยี่ยมพระพุทธองค์เมื่อทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จมาเชนั้นวันหนึ่งอในวันนั้นเองเมื่อ บินเมือ่อออกในตอนเช้าออกบิธบาทแล้วก็ฉันประตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงได้พร้อมบริวารห้าร้อยนั้นเดินทางมาจากเมืองปวาแต่พอมาอยู่ได้เพียงเครึ่อมาได้ครึ่งทางก็เป็นเวลาเที่ยงเป็นเวลาเที่ยงวันแดดแรงกล้ามากก็เห็นว่าควรที่จะพักผ่อนพอให้แดด ค, คลอยหรือว่าแดดอ่อนสักหน่อยก็จึงจะเดินต่อไป ก็พักผ่อนอยู่ที่ล่มเงาแห่งต้นไม้แห่งหนึ่งในขณะนั้นเองก็เห็นอาชีวกคนหนึ่งเดินทางมาจากเมืองกุสินาลาโดยที่ถือเอาดอกมณฑาลบนั้นกั้นมาแทนล่มคือบังแดดแทนแทนล่มมาเมื่อเห็นฉะนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าเอดอกมณฑาลบนี้เป็นดอกไม้เมืองสวรรค์ จะตกมาเมืองมนุษย์ใดเฉพาะในการพิเศษพิเศษเท่านั้นเช่นในการที่องค์สุเด็จพระโพธิสัตว์ประสูตัสสรู้ในการที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรและปรินิพานแล้วดอกมณฑารกตกมในขณะนี้หรือว่าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะปรินิพานแล้ว เกิดความสงสัยขึ้นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ออกจากลมอ่ล่มไม้นั้นไปถามเดินเข้าไปอ่ไปสู่วนทางถามอ่าอาชีวกูนั้นถามว่าท่านมาจากไหนอาชีวกบอกว่ามาจากเมืองกุสินาราท่านทราบข่าวพระบรมาสารดาของเราบ้างหรือไม่อาชีวกก็บอกว่าเราทราบพระสมณโคโดมนั้นปรินิพานได้เจ็ดวันเข้าวันนี้แล้ว ดอกมุนทาลบนี้เข้าไปเจ้าเก็บมาแต่ที่ปรินิพานของพระสมณะโคดมนั้นภิกษุทั้งหลายพอได้ฟังข่าวเช่นนั้นเองภิกษุที่ยังมีราคะยังไม่ไปปราดคือยังมีราคะโทสะโมหะคือยังไม่ได้เป็นพระิยาะบุคคลก็ประคองมือขึ้นถึงสองล้างอโลอายเสยียใจร้องไห้ฟูมฝ่ายน้ำตาว่าตนเองนี้เป็นคนที่มีบุญน้อย ยังมีทันไ ด, ไ, ดได้ได้พบประพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มันด่วนปรินิภางพิเศษกรลองให้ฟูมไฟน้ำตาหน้าเวทนายิ่งนะักส่วนพระภิกษุที่เป็นพระรยบุคคลมีราคะไปอาาคะโทสะโมหะไปปราดแล้วก็มีสติสัมภัญญะอดกั้นด้วยธรรมะสังเวช แต่ว่าในกลุ่มของพิสุห้าร้อยซึ่งเป็นบริวารของท่านพระมหาคสปะนั้นก็มีพระองค์หนึ่งซึ่งบวชในภายแก่ที่เราเรียกกันว่าพระลุงตาพระลุงตานี้บวชเมื่อภายแก่ชื่อว่าสุภัฒนชื่อว่าสุพัทนะเหมือนกันชื่อไปตรงกับสุพัทนปริภาชกซึ่งเป็นภาษาองค์สุดท้าย แต่ว่าองค์นี้ชื่อว่าสุภัธรรเหมือนกันบวชเมื่อภายแก่พอได้อ่าได้เห็นภิกษุทั้งหลายร้องไห้ฟูมไฟ้น้ำตาเช่นนั้นก็จึงได้ร้องห้ามร้องห้ามภิกษุทั้งหลายว่าหยุดเถอดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกโศ ก, กาไปเลยเราทั้งหลายได้พ้นดีแล้วจากท่านอาจากพระมหาสมณนะ โดยเหตุว่าเมื่อพระองค์ทร ง, ทรงพระชนมายุอยู่นั้นพระองค์ทรงสั่งสอนว่าอย่างนี้ควรสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเราเกรงใจก็จะต้องทำตามซึ่งเป็นความลำบากมากนะักแต่บัดนี้พระองค์นั้นปรินิพานเสร็จแล้วเราพอใจสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นไม่พอใจสิ่งใดก็ไม่ต้องตางทำสิ่งนั้นทำได้ตามความปรารถนา ไม่ต้องเกรงบัญชาของใครอีกแล้วท่านพระมหากรสปะเถระได้สดับเช่นนั้นเข้าก็เกิดความสังเวชหนวานี้เพียงแต่องค์ทุนเอกปสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าบริณิพานเพียงเจ็ดวันเท่านั้นยังไม่นานเลยยังมีอรชีปาปชนคือคนที่ไม่มีความอายคนลามก อาถารมากล่าวกระหาพระธรรมวินัยได้ถึงเพียงนี้โดยที่ไม่เกรงขามถ้าหากว่าปล่อยไปนานอีกจะเป็นยังเช่นไรแต่พระมหาเถแต่ว่าท่านพระมหากสปปเทระนั้นครั้นจะทำจะยกเรื่องนั้นขึ้นเป็นอ น, นิกรณ์ทำนิกหากรรมก็เห็นว่ายังไม่สมควรก็จึงได้มี จึงได้มีเถรวาดห้ามพระพิสุผู้ที่เสียใจร้องไห้นั้นโดยเอาธรรมะเขาเปลอบแล้วก็พาพระพิสุทั้งหลายรีบเดินทางมาที่กุสินาลาเมืองกุสินาลาเพื่อที่จะให้ทันถวายบังคมองค์พระยุ บ, บาทยุคนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ มาถึงที่มกุฏพันธนะเจดีในตอนเย็นวันนั้นเอง <c oughs> เมื่อมาถึงที่จิตกาธานคือเชิงตะกรแล้วท่านพระมหากษัะพร้อมทั้งพระภิสุสงผู้เป็ น, ปนบริวารทั้งห้าร้อยลูกก็จิมได้ทําผ้าอุตราสงนะเชะวียงบาคือห่มผ้าเชวียงบา ยกมือขึ้นกระทำอัญชุลีคือพนมนมัส ก, การกระทำประทักษ์สิงคือการเวียนไปทางด้านขวานันจิตกาฐานทั้งสามรอบนะเวียนไปสามรอบเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเวียนครบสามรอบแล้วก็จึงได้มาเปิดฮิปนะ พระบรมพระพุทธสตรีละของพระองค์นั้นทั้งเบื้องล่างคือทั้งปลายธาปลายพระบาทแล้วก็ถวายบังคมพระยุโคลนบาศของพระพุทผู้มีพระพุทเจ้าด้วยเสียงกลราวของตนเองพร้อมกับทั้งพระพิสุทั้งห้าร้อยองค์เมื่อเมื่อท่านพระมหากรสปะพร้อมด้วยพิสุทธิ์ทั้งห้าร้อยนั้นกระทาการถวายบังคม เพระาะระยุคลบาทแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโด้วยของตนเองอพร้อมอ่าด้วยเสียงกล่าของตนเองจนเสร็จสิ้นแล้วก็ปรากฏว่าเพลิงหรืออเพลิงนั้นก็ได้โผล่ขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครจุดคือไฟนั้นได้ลดุกขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีใครจุดขึ้น เป็นการที่แสดงปาธิหารให้ปรากฏเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าเพลิงทิพนั้นเกิดขึ้นเองด้วยเทวานุภาพเผาพระสลีละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขึ้นในขณะนั้นอันนี้เป็นที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนักเอาละท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลาย วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร